เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้พระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชีวิตของตนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรา รู้ว่าสิ่งไหนมีคุณค่าสิ่งไหนไม่มีคุณค่า <c oughs> เพื่อที่เราจะได้ไม่ไปรักษาสิ่งที่ไม่มีคุณค่าและเพื่อที่เราจะได้ไปรักษาสิ่งที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์กับชีวิตของพวกเรา <c oughs> สิ่งที่มีคุณค่า ที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์กับชีวิตของเราก็คือใจของเรานี่เองใจที่เป็นธาตุรู้ผู้รู้ผู้คิดผู้ที่มาครอบครองร่างกายและทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงต่างๆ สิ่งต่างๆในโลกนี้ถึงแม้จะมีคุณค่ามีคุณประโยชน์แต่มันก็เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่มีใครสามารถเก็บรักษาเอาไว้ได้ไปตลอดต่อให้ดูแลรักษาดีขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะรักษา ให้อยู่กับตนไปได้ตลอดสิ่งที่จะอยู่กับตนอยู่กับพวกเราไปตลอดก็คือใจของพวกเรานี้เท่านั้นมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะอยู่ไปกับเราไปตลอดก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะให้ความสำคัญกับใจของเรามากน้อยเพียงไรถ้าเราให้ความสำคัญน้อย เราก็จะไม่ได้ดูแลรักษาใจให้ดีเท่าที่ควรใจของเราก็จะต้องถูกความทุกข์ต่างๆคอยคุกคามคอยสร้างความวุ่นวายใจต่างๆอยู่เรื่อยๆถ้าเราให้ความสำคัญของใจยิ่งกว่าให้ความสำคัญต่อสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ เราก็จะสามารถรักษาใจของเราให้อยู่อย่างปราศจากความทุกข์ให้มีแต่ความสุขไปตลอดแลวก็เป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจนี้เป็นของที่ไม่ตายเป็นของที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพียงแต่ว่าจะอยู่แบบไหนทั้งนี้อยู่แบบทุกข์หรืออยู่แบบสุข ถ้าดูแลใจอย่างที่พู้เจ้าทรงสอนให้ดูแลใจก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดเวลาถ้าไม่ดูแลตามที่พู้เจ้าทรงสอนให้ดูแลใจก็จะต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆไปเรื่อยๆไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นเราต้องรู้ว่าอันไหนมีค่าอันไหนไม่มีค่า พุทธเจ้าทรงเรียงลําดับคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ไว้อย่างนี้คือหนึ่งคุณค่าของทรัพย์นี่น้อยกว่าคุณค่าของสุขภาพของร่างกายเราคุณภาพของสุขภาพก็น้อยกว่าชีวิตอของเราชีวิตของเราก็มีคุณค่า น้อยกว่าใจของเราทางที่ทรงคอยสอนให้สละให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอาวัยวะรักษาสุขภาพแล้วถ้าต้องสละอวัยว ะ, ะเพื่อรักษาชีวิตก็ต้องสละอวัยวะไปะเช่นถ้าเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องผ่าตัดอาอะไรออกไปเพื่อรักษาชีวิตไว้ mm hmm. ก็จำเป็นที่จะต้องผ่าไปตัดไปเพื่อที่ร่างกายจะได้อยู่ต่อไปได้ mm hmm. ถ้าไม่อยากให้ร่างกายตาย mm hmm. ต้องักต้องสละเอาไว้ว่าเพื่อรักษาชีวิต mm hmm. แล้วก็ ถ้าต้องเลือกระหว่างการรักษาชีวิตกับรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับอะไรอวะุธเจ้าทรงสอนว่าให้สละชีวิตสละร่างกายไปเพื่อรักษาใจเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวรถ้าไม่รักษาใจใจก็จะต้องทุกข์ไปเรื่อยๆถ้ารักษาใจด้วยการสละ สละทุกสิ่งทุกอย่างใจก็จะไม่ทุกข์สิ่งที่เราต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่จะต้องจากเราไปอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วมันไม่อยู่กับเราไปตลอดทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองจะมีมากมีน้อยเพียงไรไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องมีวันหมดไป สุขภาพร่างกายก็เช่นเดียวกันมันก็จะต้องแก่เจ็บไปตามลาดับจนถึงวันตายชีวิตของร่างกายก็มีวันสิ้นสุดลงฉะนั้นถ้าเรามาทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการมาดูแลรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองรักษาสุขภาพรักษาชีวิตของเราโดยที่เราไม่ได้ ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาใจของเราเลยเราก็จะต้องพบกับควา ม, วามทุกข์ของใจไปเรื่อยๆเราก็จะต้องพบกับความผิดหวังเพราะว่าเราจะไม่สามารถที่จะรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่ได้ไม่สามารถรักษาสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงไปได้ตลอด ไม่สามารถรักษาร่างกายให้อยู่ไปแบบไม่มีวันตายได้การที่เราไปทุ่มเทเวลาเวลาไปทุ่มเททรัพยากรต่างๆเพื่อมาหาทรัพย์มารักษาทรัพย์มารักษาสุขภาพของร่างกายมาบ้องกันไม่ให้ร่างกายตายทําขนาดไหนก็ตามก็ไม่มีวันที่จะ ทำได้เพราะของเหล่านี้มันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงเพราะมันอยู่ภายใต้กฎอนิจจาอานิจจังทุกขังอนัตตาอานิจจังก็คือของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวมีมาแล้วก็ต้องมีไปมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปในที่สุดถ้าเราไปหลงไหลกับการคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอด เราก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจเสียใจเวลาที่เราจะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเรามารักษาใจถ้าใจเราทุกข์กับทรัพย์สมบัติก็ให้สละทรัพย์สมบัติไปถ้าใจเรามาทุกข์กับสุขภาพร่างกายก็ต้องสละสุขภาพไปถ้าใจเราทุกข์กับความตายของร่างกาย เราก็ต้องยอมตายกระให้ร่างกายตายไปถ้าเราทำได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์เลยใจเราจะอยู่อย่างมีความสุข <c oughs> และอยู่แบบที่ไม่ต้องกลับมามีร่างกายกต่อไปไม่ต้องมามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องมามีร่างกายที่เราจะต้อง เจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตายไปอยู่เรื่อยๆตาเหตุที่เรายังมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆมามาทุกข์กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาทุกข์กับร่างกายสุขภาพของร่างกายมาทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายก็เพราะว่าเราไม่ปล่อยไม่หยุด การที่เราจะแสวงหาสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายนั่นเองเรายัางต้องมีร่างกายไว้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดโภชภะหาความสุขจากราบยศสรรเสริญซึ่งเป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่แน่นอน บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปไม่ยั่งยืนถาวรเหมือนกับความสุขของใจถ้าเรารู้จักวิธีหาความสุขให้กับใจเราจะสามารถรักษาความสุขที่ใจเราได้สร้างขึ้นมานี้ให้อยู่กับใจไปตลอดได้ เราจึงต้องรู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นของชั่วคราวอะไรเป็นของยั่งยืนถาวรของที่เป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวรก็คือใจใจผู้รู้ผู้คิดใจผู้เป็นเวลาไม่มีร่างกายก็เป็นดวงวิญญาณและเวลามามีร่างกายก็เรียกว่าใจผู้รู้ผู้คิดใจดวงนี้หรือดวงวิญญาณดวงนี้ละ่ะ ที่เวียนว่ายตายเกิดมานับภพบนับชาติไม่ได้มากมายกายกองจนนับจำนวนไม่ได้ความทุกข์ที่ได้จากการเวียนว่ายตายเกิดก็นับจำนวนนับปริมาณไม่ได้เพียงแต่เปรียบเทียบได้ว่าความทุกข์นั้นที่เกิดที่ทำให้ต้องหลังน้ำตาน้ตาแต่ละครั้งเนี้ น้ำตาที่หลังในการเวียนในพบชาติต่างๆที่ได้เวียนไหวตายเกิดมานี้ถ้าเอามารวมกันแล้วมันจะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือปริมาณของความทุกข์ใจที่เราปล่อยให้ใจถูกอำนาจของความหลงถูกอำนาจของกิเลสตันหาหลอกให้เรา ไปหาความทุกข์ต่างๆมาให้ใจอยู่อยู่ตลอดเวลา mm hmm. เพราะว่าถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนเราก็จะไม่มีวันรู้คุณค่าของใจว่าเป็นสิ่งที่สำคัญขนาดไหนและเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราควรจะดูแลรักษาเพราะเป็นสิ่งที่เราดูแลรักษาให้อยู่อย่า ง, ย, า ง, ย, างยั่งยืนถาวร ดูอย่างปราศจากความทุกข์ได้แต่สิ่งต่างๆอย่างอื่นนี่เราไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูดูแลรักษาให้มันอยู่กับเราไปได้ตล mm hmm. อดเพราะมันเป็นของชั่วค mm hmm. ราวร่างกายเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุด <Yeah. S 2> ทรัพย์สมบัติเงินทองราบยศสารเสริญสุขได้ที่ อามสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายที่ได้ผ่านทางร่างกายก็เป็นของชั่วคราวได้มาแล้วก็อยู่กับเราไปจะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้บางอย่างก็หมดเร็วบางอย่างก็หมดช้าบางอย่างก็หมดไปพร้อมๆกับร่างกายก็คือเวลาที่ร่างกายตายทรัพสมบัติมีมากมีน้อยเท่าไหร่ก็ต้องหมดไปยศตาแหน่ง ก็หมดไปการรเซิร์นต่างๆการยกย่องต่างๆก็หมดไปความสุขที่ได้จากรูปเสียงกิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่าง ๆ, ๆก็หมดไปแล้วก็สร้างความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปต้องหลั่งน้ําตาต้องหลั่งน้องห่มน้องไห้กันแต่ก็ไม่ รู้จะว่าจะทำอย่างไรไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาเรียนรู้ความจริงจากพระพุทธเจ้าเราก็อาจจะคิดว่าชีวิตของเราสิ้นสุดลงที่ความตายของร่างกายเพราะเรามองไม่เห็นตัวเราคือใจเพราะเราไปคิดว่าใจกับร่างกาย เป็นคนเดียวกันเพราะมันมาคู่กันตั้งแต่เกิดใจกับร่างกายนี้มันมาด้วยกันพร้อมๆกันในขณะที่ที่ร่างกายคลอดออกมาจากท้องแม่มเป็นเหมือนฝาแฝดใจเป็นแฝดพี่ร่างกายเป็นแฝดน้องอใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆร่างกายถ้าไม่มีใจเป็นผู้สั่ง ร่างกายก็จะไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือทำอะไรได้ต้องรองคําสั่งจากร่างกายจากใจก่อนอย่างวันนี้การที่ท่านจะเดินทางมาที่วัดนี้ได้ท่านก็ต้องคิดก่อนแล้วคิดว่าวันนี้ว่างจะไม่ต้องมีงานทาไปฟังเศงทศทางธรรมที่วัดกันนี่คือความคิดของใจไม่ใช่ความคิดของร่างกายร่างกายคิดเองไม่เป็นร่างกายถึงแม้จะมีสมอง และนักวิทยาศาสตร์อาจจะคิดว่าสมองเป็นที่ตั้งของความคิดก็ตามแต่ความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสร้นั้นทรงรู้ว่าสมองไม่ใช่เป็นตัวคิดผู้ที่คิดนี้คือใจที่ที่เป็นนามธรรมา ท, ที่เป็นกายทิพนั่งกายเป็นกายอยากเป็นกายเป็น เป็นกายท่าทำจากธาตุสี่ดินดน้ำลมไฟธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้ไม่มีความสามารถที่จะรู้สึกนึกคิดได้ mm hmm. นั้นร่างกายนี้ไม่มีความรู้สึกนึกคิดได้แต่เป็นผู้รับรู้เป็นผู้รับรูปเสียงกิริย์ลดรับสิ่งต่างๆส่งไปให้ที่ใจอีกทีหนึ่งเท่านั้นเองร mm hmm. ่างกายถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่มีทั้งกล้องมีทั้งเครื่องบันทึกเสียง เวลาเราอยากจะถ่ายภาพเราก็ใช้กล้องถ่าย mm. กล้องก็จะถ่ายภาพเก็บไว้ให้เรา mm. เวลาเราได้ยินเสียงอะไรเราอยากจะบันทึกไว้เราก็ใช้ไมโครโฟนของกล้องมีบันทึกเสียงเอาไว้ mm. แต่ตัวกล้องเองมันไม่รู้ว่ามันถ่ายภาพอะไรมันไม่รู้ว่ามันบันทึกเสียงอะไร mm. ผู้ที่รู้ก็คือผู้ที่ใช้โทรศัพท์นี้ mm. ผู้ที่ใช้โทรศัพท์ก็คือใจ โดยใช้ผ่านทางร่างกายอีกที น, นั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายก็เหมือนกันร่างกายก็เหมือนโทรศัพท์มือถือมันไม่้มีความรู้สึกนึกคิดแต่อย่างใดมันไม่รู้ว่าภาพที่มันถ่ายนั้นมันเป็นภาพที่สุขหรือทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เสียงที่ได้ยินมันไม่รู้ว่ามันเสียงสุขหรือทุกข์ถ้ามันรู้เวลาเราถ่ายภาพที่มันทุกข์มันคงจะไม่ยอมให้เราถ่ายแน่ แต่ไม่ไม่รู้จะถ่ายภาพแบบไหนมันก็ให้ถ่ายหมดภาพทุกขนาดไหนมันก็ให้ถ่ายเพราะว่ามันไม่มีการรับรู้อะไรเลยมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดในในตัวกล้องในตัวโทรศัพท์มือถือฉันใดร่างกายก็เหมือนกับกล้องเหมือนกับโทรศัพท์มือถือนี่ที่ไม่มีการรับไม่มีความรู้สึกนึกคิดมีเพียงแต่ทาหน้าที่รับรูปเสียงกลิ่นรสผลตภัพ ที่เข้ามาทางตาหูจมูกทิ้งกายแล้วส่งไปให้ใจเป็นผู้รับรู้เท่านั้นเองพอใจรับรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพธะแล้วก็รับรู้ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสแบบไหนใช้สัญญาวความจําในอดีตใช้ความจำความหมายรู้นี่คือความสามารถของใจสามารถแยกแยะว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่ได้เห็นนี้ะ เป็นแบบไหนบ้างเป็นแบบสุขหรือเป็นแบบทุกข์หรือเป็นแบบไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเป็นแบบสุขก็จะเกิดความรู้สึกสุขขึ้นมาเวลาได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ถูกใจที่ทำให้ความสุขใจเกิดขึ้นมาสุขเวทนาเกิดขึ้นมาถ้าไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ทำให้เกิดความทุกข์ ใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันที<ม>ผู้ที่สุขผู้ที่ทุกข์น<ม>ี่ไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายก็เฉยๆ<ม>รับรูปเสียงขินลดใครจะด่าไงร่างกายก็ไม่ได้ตื่นเต้นเดือดร้อนแต่อย่างใดใครจะชมร่างกายก็ไม่ได้ดีออกดีใจกระโดดโลดเต้นผู้ที่ทุกข์ผู้ที่ไม่สบายใจเวลาที่ได้ยินเสียงด่าก็คือใจ<ม>ผู้ที่ดีออกดีใจ ก็คือใจเวลาได้ยินเสียงชื่นชมยินดี น, นี่คือเราต้องเข้าใจว่าเรานี่เป็นฝาแฝดความจริงเราเป็นแฝดพี่เรานี่แหละเป็นเป็นใจเป็นผู้สั่งการเช่นวันนี้สั่งการให้มาวัดนี่ร่างกายก็ไปที่อื่นไม่ได้ร่างกายอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปไม่ได้ เพราะร่างกายต้องรอคําสั่งของใจเพียงอย่างเดียวพอใจบอกว่าวันนี้ให้มาวัดพอถึงเวลาก็ออกเดินทางมาใจก็สั่งให้ออกเดินทางออกจากบ้านขึ้นรถขับรถหรื อ, อะไรก็ตามเดินทางมาจนใ น, ในที่สุดก็มาถึงสถานที่นี้ได้ถ้าร่างกายไม่มีใจเป็นผู้กํากับร่างกายก็จะเป็นเหมือนซากศพคนตาย คนตายนี่เวลาตายปั๊บนี่ร่างกายมันจะไม่เคลื่อนที่เองแนละ้วต้องรอให้คนมามาจัดการนะเวลาคนพบอบัติเหตุตายเนี่เห็นไหมถ้าไม่มีใครมาพบศพศพมันก็อยู่ที่เดิมนะมันไม่ไปไหนแต่ถ้ามีคนหน่วยผู้ภัยมามาเห็นเข้าว่าเป็นศพหน่วยผู้ภัยก็ต้องเป็นผู้ที่แบกหามร่างกายเพื่อไปจัดการตามความเหมาะสมต่อไป สรุปก็คือร่างกายนี้มันไม่มีรับมันไม่สามารถสั่งตัวมันเองให้เคลื่อนไหวให้ทำอะไรต่างๆได้มันไม่มีความรู้สึกนึกคิดนนักวิทยาศาสตร์เขาไม่รู้ว่าใจเป็นผู้รู้สึกนึกคิดเขามองไม่เห็นใจเขาไม่สามารถที่จะวัดดูว่าใจนี้เป็นอย่างไรได้เขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะดูใจให้ให้เห็นว่าใจ นี่แหละเป็นผู้ที่สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเขาก็เลยไ ป, ไปดูที่สมองแทนซึ่งความจริงสมองนี้เป็นผู้สั่งการให้อวัยวะต่างๆของร่างกายทำงาน <Yeah. S 2> เป็นผู้ประสานงานแต่สมองนี้จะต้องรอคำสั่งจากใจก่อน <Yeah. S 1> ใจจะไปสั่งที่สมองว่ า, ายกแขนขึ้นยกแขนซ้ายขึ้นยกแขนขวาขึ้น <Yeah. S 1> พอใจสั่งแล้วสมองก็จะสั่งไปที่แขน ให้ยกขึ้นมาถ้าถ้าใจไม่สั่งสมองสั่งเองไม่ได้สมองสั่งว่าอยากจะลุกขึ้นมาเองอยากจะยกแขนยกขาขึ้นมาเองเนี่มันมันไม่มีความสามารถมันต้องรอคําสั่งก่อนคาสั่งก็คือใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยใจเป็นพี่ร่างกายเป็นน้องแฝดพี่แฝดน้องไปด้วยกันตั้งแต่เกิดไปจนถึงวันตายพอร่างกายตายไป ก็ไปคนละทางร่างกายก็กลับคืนสู่ธาตุสี่ที่ที่เป็นส่วนประกอบเป็นเป็นส่วนประกอบของร่างกายธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่มารวมตัวกันให้เป็นอาการสามสิบสองเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นกระดูกเป็นอวัยวะต่างๆนี่ มันเกิดจากการผสมปรุงแต่งของธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนักคุวิ ท, าทานนบบยาศาสตรเ์เขาก็วิเคราะห์เป็นสารเคมีต่างๆเป็นไนโตรเจนเป็นออกซิเจนเป็นคาร์บอนเป็นอะไรต่างๆที่เมื่อมันมาผสมกันมันก็เลยทำให้เกิดการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆขึ้นมาแล้วพอร่างกายหยุดการทำงาน สิ่งที่ถูกมารวมตัวกันปรุงแต่งขึ้นมันก็จะแยกออกจากกันธาตุดินก็ไปทางหนึ่งธาตุน้ําก็ไปทางธาตุลมก็ไปทางหนึ่งธาตุไฟก็ไปทางหนึ่งร่างกายที่เป็นอาการฐานที่สองก็จะหายไปไม่มีหลงเหลืออยู่ต่อไปในโลกนี้อันนี้คือธรรมชาติของร่างกายเมื่อถึงจุด สิ้นสุดลงแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็จะคิดว่าเรา ก, ก็จะคิดว่าใจที่มากับร่างกายนี้ก็ตายไปพร้อมๆกับร่างกายแต่ความจริงใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้เป็นผู้ที่จะไปเกิดใหม่ต่อไปและก่อนที่จะไปเกิดใหม่ก็จะไปรับผลบุญผลบาป ท, ที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ อันนี้นักวิทยาศาสตร์มองไม่เห็นมองไม่รู้ว่าใจผู้รู้ผู้คิดนี้ผู้ทาบุญทาบาทนี้จะต้องไปไปเกิดหรือไปเป็นอะไรต่างๆต่อไปในโลกทิพย์ถ้าทำบาปก็จะไปถูกบาปพาให้ไปเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นมีร่างกายก็เป็นเป็นสัตว์เดรัจฉาน ถ้าไม่มีร่างกายก็เป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยที่เรียกว่าเปรตหรือถ้าหรือไม่เช่นั้นก็เป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวเรียกว่าสุรกายหรือเป็นดวงวิญญาณที่มีความอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นก็เรียกว่านารกอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ไม่ตายใจที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย แต่ใจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายคนที่ใช้ตาดูก็จะเห็นเพียงครึ่งเดียวของชีวิตเห็นร่างกายที่ตายไปเมื่อเห็นร่างเห็นร่างกายเห็นว่าเป็นส่วนประกอบของชีวิตส่วนเดียวพอร่างกายตายไปกลับคืนสู่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไปก็ไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาปอีกต่อไปไม่ไม่ไม่มีสวรรค์ไม่มีนรก เพราะว่าถ้าคิดว่าสวรรค์อยู่บนฟ้าเขาก็ส่งยานอวกาศขึ้นไปสํารวจแล้วก็ไม่พบคนที่ตายไปอยู่บนสวรรค์เลยแม้แต่คนเดียวหรือถ้าคิดว่านารกอบาบนี้อยู่ใต้ดินนก็เจาะเจาะลงไปก็เจอแต่น้ํามันเจอแต่ธาตุแร่ธาตุต่างๆเจอแต่ทองแร่ธาตุทองแท้เจอแต่เพชรดินจินดาที่ฝังอยู่ในดินแต่ไม่เห็นอาบายไม่เห็นนรกแต่อย่างใด ก็เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นที่ตั้งของสวรรค์ของนรกนั่นเอง mm hmm. ที่ตั้งของสวรรค์ที่นรกนี้อยู่ในโลกทิพย์อยู่ในใจของผู้กระทาบุญหรือผู้กระทำบานี่เอง mm hmm. นี่แหละคือใจที่ไม่ไม่ตายไปกับร่างกายแต่ยังจะต้องไปต่อไปตามอํานาจของบุญหรือของบาปที่ทำไว้แล้วพอได้ชดใช้บุญหรือบาปแล้ว mm hmm. ก็ถูกอำนาจของกิเลสตัณหาความอยากจะเกิดพาให้มาเกิดใหม่ความอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภาพาชนิดต่างๆมันก็จะดึงใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเข้าคิวเหมือนกับไปธนาคารหรือไปที่ไหนที่โรงพยาบาล น, นี่ต้องไปขอบัตรคิวไว้ก่อนแล้วก็นั่งรอจนกว่าถึงคิวอถึงคิ ว, วก็เามาอา เอาร่างกายนี้ไปร่างกายของพ่อแม่คนนี้ น, นกกายกอลนากอลกำลังขอเนี่ยกำลังตั้งท้องอยู่เอาไปเลยคิวของคุณแล้วก็จะได้มาเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นที่ไม่มีใครรู้เห็นได้ถ้าไม่ทำตามที่พทธเจ้าทรงสอนก็คือต้องปฏิบัติ ต้องปฏิบัติจิตตภาวนาถึงจะสามารถเห็นจิตใจได้เห็นว่าจิตใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกัน mm. เพราะใจนี้แหละ mm. เป็นผู้ที่จะมีตาทิพตาในการที่จะเห็นใจนี้ต้องต้องเปิดตาในขึ้นมาและการจะเปิดตาในเราก็ต้องปิดตานอกเ mm. ชนเวลานั่งสมาธิเราต้องปิดทวานทั้งห้า รูปเสียงกิ่นรสโผฏพะไม่รับรู้ไม่สนใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อดึงจิตให้ออกจากร่างกายไปพอดึงออกจากร่างกายแยกออกจากร่างกายได้สำเร็จใจก็จะเห็นตัวเองขึ้นมาทันทีเห็นว่าตัวเองก็มีแค่เพียงแต่ความรู้สึกนึกคิดนี้เอง ซึตอนนี้ความรู้สึกนึกคิดมันได้สงบตัวลงไปเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวรู้เหลืออยู่แต่สักแต่ว่ารู้อันนี้แหละมันเป็นจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกันร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วร่างกายนี้ก็ต้องรอคําสั่งของใจขณะที่ใจเข้าไปในสมาธินี้ร่างกายทําอะไรไม่ได้โดยพรารัการ ร่างกายอยากจะลุกเข้าไปห้องเข้าห้องน้ําก็ไปไม่ได้เพราะร่างกายมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดมันไม่รู้ว่ามันจะต้องเข้าห้องน้ําหรือไม่เข้าห้องน้ําถ้ามันจะฉี่ของมันเองมันก็ปล่อยมันไหลออกไปตามธรรมชาติทั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ทําเพราะเกิดจากความคิดคําสั่งของร่างกายเพราะร่างกายสั่งร่างกายให้ทําอะไรไม่ได้แต่มันก็เป็นระบบของของระบบต่างๆของร่างกายที่มันจะทํางานโดยอัตโนมัติ เมื่อถึงเวลาร่างกายมันต้องขับถ่ายมันก็จะขับถ่ายของมันเองถ้าไม่มีถ้าถ้าใจไม่มีสั่งการหรือไม่เช่นนั้นมันก็จะบีบคั้นให้เกิดทุกขเวทนาเพื่อที่จะไปไปเตือนใจที่อยู่ในสมาธิว่าตอนนี้ร่างกายต้องการขับถ่ายแล้วใจที่อยู่ในสมาธิก็ต้องถอยออกมาอถอยออกมาเพื่อมาทาหน้าที่ ไปพาร่างกายไปขับถ่ายหรือไปเติมน้าเติมอาหารถ้ามันหิวน้ำหรือหิวอาหารนี่คือชีวิตของพวกเรานี้มีอยู่สองส่วนด้วยกันไม่ใช่มีเพียงแต่ร่างกายที่เราเห็นอยู่ทท่านั้นสิ่งที่สำคัญกว่ายิ่งกว่าร่างกายก็คือใจที่ไม่มีวันตายแต่ยังอยู่ภายใต้ความอำนาจของความหลงอยู่ที่ถูกหลอกให้ไป ทำบาปทำบุญหรือไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อยู่มันก็เลยทำให้ใจต้องไปไปประกอบกับร่างกายอันใหม่เวลาที่ร่างกายอันเก่าตายไปจิตก็เป็นดวงวิญญาณก็รอจังหวะให้มีร่างกายอันใหม่ขึ้นมารอคิวของตนพอได้คิวปั๊บ ก็ไปประกอบกับร่างกายอันใหม่ที่ตั้งที่อยู่ในท้องแม่คนใหม่แล้วก็รอให้ร่างกายเจริญเติบโตขึ้นมาพออายุได้เก้าเดือนก็อยู่ในท้องไม่ได้ก็คลอดออกมาแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโ ต, ตด้วยการเลี้ยงดูของบิดามารดาพอเติบใหญ่สามารถทำอะไรเองได้แล้วก็ สั่งการให้ร่างกายไปทำอะไรตามที่ตัวเองต้องการต่อไปช <c oughs> <sh ake hold> ีวิตของเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา <c oughs> เราก็จะไม่รู้ว่าอะไรทำให้ใจเราทุกข์ไม่รู้ว่าอะไรทำให้ใจเราสุขและเราก็จะไม่รู้ว่าเวลาตายไปใจที่สุขนั้นจะไปสวรรค์ ใจที่ทุกข์นั้นจะไปนรกไปอบายเราก็ไม่รู้แล้วใจที่ยังมีความอยากกับรูปเสียงกลิ่นรสอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ก็จะต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่อันนี้สิ่งเหล่านี้เราจะไม่มีวันรู้ได้ด้วยตัวเองยกเว้นว่าถ้าเราเป็นบุคคลที่ขวนขวายศึกษาทนใจที่อยากจะเรียนรู้อะไรต่างๆที่เรายังไม่รู้ ด้วยการสร้างปัญญาบารามีบารามีนี้ต้องสร้างขึ้นมาปัญญาบารามีคือการเรียนรู้ความจริงต่างๆตอนต้นเราไม่รู้ด้วยตัวเราเองเราก็ต้องไปเพึ่งคนที่เขารู้มาก่อนส่วนใหญ่คนเราเกิดมานี้ไม่สามารถที่จะสอนตัวเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่พระพุทธเจ้าเองถึงแม้ว่าจะมีความสามารถความฉลาดมากมาย สามารถรู้อะไรมากมายกับครูบางคนแต่ก็มีบางเรื่องที่ตัวเองไม่ไมไมรู้ไม่เข้าใจก็ยังต้องไปศึกษากับบรรดาอาจารย์ต่างๆโดยเฉพาะทางด้านจิตใจทางด้านปฏิบัติจิตใจให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ให้จิตใจมีความสงบมีความสุขนี้ก็ยังต้องไปศึกษากับอาจารย์ต่างๆแต่อาจารย์ต่างๆก็มีขอบเขตความรู้ความสามารถ เราให้จิตใ จ, จดับความทุกข์ได้ชั่วครั้งชั่วคราวด้วยการเข้าไปในสมาธิเข้าไปในฌาน<ม>เวลาเวลาใจเข้าไปในสมาธิเข้าไปในฌานใจก็จะไม่มีความทุกข์เข้ามาเพราะตัวที่สร้างความทุกข์ได้ถูกระ ง, งับไว้ก็คือความอยากความคิด ต, ต่างๆผ่านความอยากเมื่อใจหยุดคิดความอยากก็จะหยุดตาม เมื่อความอยากหยุดตามความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปบรรดาอาจารย์สมัยที่พระเจ้าทรงบาเพ็ญก็รู้เพียงเท่านี้รู้วิธีดับความทุกข์ด้วยสมาธิแต่ไม่สามารถใช้สมาธิดับความทุกข์ได้ตลอดเวลาเพราะไม่ใจไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาไม่สามารถเข้าฌานได้ตลอดเวลาต้องออกจากสมาธิออกจากฌานมา พอมีร่างกายที่จะต้องมาคอยรับผิดชอบต่อไปเอามาเพื่อมาดูแลร่างกายมารักษาสุขภาพร่างกายมาหาอาหารมาหาน้ำมาให้ร่างกายกินอยู่อะไรต่างๆมาทำความสะอาดชำระร่างกายช่วงที่ไม่อยู่ในสมาธินี้ก็มีความคิดและเมื่อถ้าคิดด้วยความอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีช่วงนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าใจทุกข์เพราะอะไร ไม่รู้ว่าทุกข์เกิดจากความอยากของตนเองอันนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ส่งไปศึกษากับครูอาจารย์หลายรูปท่านก็รู้แค่วิธีเข้าฌานเท่านั้นเองแต่พอออกจากฌานมาไม่ได้อยู่ในสมาธิเอาใจทุกข์เขาก็ไม่รู้ว่าทุกข์เพราะอะไรเกิดจากอะไรรู้เพียงแต่ว่าเกิดมาเกิดจากการที่ทําใจไม่สงบรู้ว่าเวลาใจสงบอยู่ในฌานความทุกข์หายไป ถ้าอยากจะให้ความทุกข์หายไปก็ต้องกลับเข้าฌานใหม่เท่านั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าสามารถกําจัดความทุกข์ได้โดยที่ไม่ต้องเข้าฌานเพราะสาเหตุของของความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ความไม่สงบของใจมันอยู่ที่ความอยากของใจต่างหากเอนแต่ว่าเวลาใจสงบความอยากมันไม่สามารถทํางานได้เพราะความอยากนี้ต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือ ถ้าถ้าใจสงบความคิดก็ทํางานไม่ได้เมื่อความคิดทํางานไม่ได้ความอยากก็ทํางานไม่ได้เมื่อความอยากทํางานไม่ได้ความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นมาเขาก็เลยรู้ว่าวิธีที่จะดับความทุกข์ก็คือต้องทําใจให้นิ่งให้สงบเท่านั้นแต่พอเอาอจากสมาธิมาพอใจไม่นิ่งไม่สงบใจเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ความทุกข์ก็เข้ามาได้ทันที อันนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะทำยังไงถึงจะให้ความทุกข์นี้หายไปเวลาที่ใจไม่นิ่งไม่สงบก็มีพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ทรงลองผิดลองถูกค้นคว้าอยู่ยอในที่สุดก็ทรงพบคำตอบว่าความทุกข์ใจนี้มันเกิดจากความอยากของใจการที่จะเกิดความอยากขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยความคิดก่อนพอเราคิดถึงขนมเราก็อยากจะกินขึ้นมาทันที อ, อยากกินแล้วไม่ได้กินใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่คิดถึงขนมเลยความอยากจะกินขนมมันก็ไม่เกิดขึ้นมาใจก็ไม่ทุกข์พรุทธเจ้าก็เลยสรุปว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากและความอยากนี้ก็ต้องอาศัยความคิดพอคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะเกิดความอยากกับเรื่องนั้นขึ้นมาทันทีอยากได้บ้างอยากไม่อยากไม่ได้บ้าง พอคิดถึงลาบยศสรรเสริญสุขก็อยากได้ขึ้นมาทันทีพอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่อยากได้ขึ้นมาทันทีพอเกิดความอยากขึ้นมาอยากได้หรือไม่อยากได้ก็ทําให้ใจทุกข์ขึ้นมาทันทีพระพุทธเจ้าก็เลยทรงค้นพบว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากของใจโดยอาศัยความคิดเป็นเครื่องมือท่านเอง ก็ปล่อยให้ใจคิดไปในทางที่ความคิดมันก็เป็นความคิดไปได้สองทางคิดไปในทางที่ทำให้เกิดความอยากก็ได้คิดไปในทางที่ทำให้เกิดทำให้ความอยากความอยากหายไปก็ได้คิดยังไงที่ทำให้เกิดความอยากก็คิดว่าเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเรานั่นเองพอเราเห็นอะไรเรามักจะคิดว่าโอ้ได้สิ่งนี้มาแล้วเราจะมีความสุขนะ ได้รูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐได้คนนั้นคนนี้มาได้สมบัติเข้าของเงินทองอะไรมาสิ่งที่เราชอบใจถูกใจเราพอเห็นแล้วก็อยากได้ขึ้นมาถ้าทาให้เราถ้าเราอยากจะมองเห็นหรือคิดว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ควรอยากได้เราต้องคิดอย่างไรเราก็ต้องคิดว่ามันมันไม่เป็นสุขมันเป็นทุกข์มันเป็นสุขแบบอัมพรางเป็นสุขที่หุ้มห่อความทุกข์อยู่ ความจริงแล้วมันเป็นความทุกข์มันอาจจะเป็นความสุขชั่วขณะที่เราได้มาตอนใหม่ๆแต่พอระยะเวลาผ่านไปความสุขที่ได้มามันก็ไปมันก็หายไปเพราะสิ่งที่เราได้มามันก็เปลี่ยนไปได้มันไม่เที่ยงมันจากเป็นของดีก็กลายเป็นของไม่ดีก็ได้เป็นของเสียไปเชินเวลาเราซื้อรถยนต์มาใหม่ๆนี่มันก็ให้ความสุขกับเราตอบสนองความอยากของเรา ได้ตลอดเวลาแล้ววันดีคืนดีใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็เริ่มเกิดอาการเสียบ้าสตาร์ตรถไม่ติดบ้างวิ่งไปแล้วรถหยุดกลางทางบ้างพอมันไม่สามารถตอบสนองความอยากของเราได้อะไรที่จะตามมาก็คือความทุกข์ใจทัหนยความไม่สบายใจขึ้นมา <Yeah. S 1> เพราะว่าเป็นเป็นของที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นของที่เรา ครึ่งพาสายมันไม่ได้ตลอดเวลาเพราะมันจะต้องเสื่อมมันจะต้องเสียมันจะต้องเปลี่ยนไปนั่นเองถ้าเราอยากจะหยุดความอยากเวลาที่เราเห็นในลาแล้วเราอยากได้ก็ต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลาที่มันไม่สามารถตอบสนองความอยากของเราได้อันนี้ให้คิดแบบนี้ให้คิดไปในทางปลายลัคให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นที่เราสัมผัสรับรู้นี้ มันเป็นไตรลักมันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็ย่อมต้องทำให้เราทุกข์มันเป็นอนตามันไม่มีตัวตนเราไปสั่งการสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นภาวะทางธรรมชาติมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้มันเกิดมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้มันเปลี่ยนมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้มันดับไม่มีใครไปสามารถควบคุมบังค <ok ับมันได้ ไปควบคุมบังคับให้มันเที่ยงแท้แน่นอนเหมือนเดิมตลอดเวลาทำไม่ได้มันต้องการมีการเปลี่ยนมีการเสริมมีการสิ้นสุดลง <c oughs> นี่ให้คิดในทางนี้ <c oughs> คิดไปในทางไตรลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นราบยศสารเสริญสุขราบก็เหมือนกันเป็นไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยง <c oughs> บางเวลาก็จเจริญราบ <c oughs> เงินทางก็ไหลามามีรายได้ดีมีงานทำ และบางเวลา เ, เศรษฐกิจไม่ดี <Yeah. S 1> เช่นช่วงโควิดเนี่ยรายได้โหดหายไป <Yeah. S 1> บางคนถึงกับล้มละลายไปก็มีเราเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเราไปยึดของไม่เที่ยงมันก็เลยต้องทําให้เราทุกเวลาที่มันเสือ่อม <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราใช้ปัญญาทุกครั้งที่เราอยากได้อะไรปัญญามองให้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์ที่จะตามมา <Yeah. S 1> เห็นว่ามันเป็นสภาวะธรรมที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ จะให้มันเจริญอย่างเดียวไม่ได้วันเวลาเมื่อมีเหตุมีปัจจัยก็จะทำให้มันเสื่อมได้เช่นธุรกิจต่างๆที่ที่ล้มละลายลงไปเพราะโควิดเพราะต้องปิดปิดสถานที่ปิดบาร์ปิดผับปิดอะไรต่างๆตรงนั้นคนที่ทำอาชีพเหล่านี้ก็เดือดร้อนกันไม่มีรายได้แต่เขาไม่เคยคิดด้วยโลงหน้าก่อนว่า การทำอาชีพแบบนี้วันใดวันหนึ่งก็าจจะต้องเจอผลมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้มันไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ไม่มีรายรับมีแต่รายจ่ายต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายลูกจ้างจ่ายอะไรต่างๆแต่รายได้คือคนที่จะมาใช้บริการไม่มีเลยเพราะถูกทางรัฐบาลสั่งห้ามออกจากบ้านห้ามเข้าตามสถานที่ต่างๆ อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนถ้าเราอยากจะคิดเพื่อทำให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่อยากเราก็ต้องคิดว่าเวลาเราอยากได้อะไรมองให้เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงของมันที่จะทาให้เราเกิดมันจะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ช้าก็เร็วบางอย่างก็อาจจะไม่ทำให้เราทุกข์เลยในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ แต่พอถึงเวลาที่ร่างกายเราตายเราก็ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาได้อยู่ดีมันก็ต้องไปทุกตอนปลายอยู่ดีทุกตอนที่เราจะตายทุกตอนที่เราแก่ทุกตอนที่เราเจ็บตอนที่เราไม่สามารถที่จะไปหาทรัพย์สมบัติหาราบยศสรรเสริญศุกร์มาเสดไดต้ต้องให้คิดไปในทางนี้ถ้าเราอย า, อยากจะหยุดความอยากหยุดความทุกข์ ถ้าคิดไปในทางสุขว่าโอ้สิ่งนั้นก็สุขสิ่งนี้ก็สุขได้มาแล้วจะมีความสุขมากๆอันนั้นลหละจะทำให้เกิดความอยากได้ขึ้นมาพออยากได้แล้วทีนี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ท, าทันทีแล้วถ้าคิดไปอีกทางหนึ่งคิดไปไม่อยากได้แล้วทำให้ทุกข์ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดเช่นเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไข้ได้ปวด่วยไม่อยากตาย เวลาเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายใจเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะเรามีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายวิธีที่จะแก้ไม่ให้เราทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องดูความจริงของร่างกายว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยมมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมันเป็นภาวะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเหตุมีปัใจจัยให้มันเกิด มีเพจมีปัจจัยที่ทำให้มันแก่มันเจ็บมันตายที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปะไปจัดการหรือไปห้ามปลามันได้มันเป็นเรื่องของระบบของธรรมชาติร่างกานี้เป็นส่วนหนึ่งระบบของธรรมชาติถ้ามองอย่างนี้ใจก็จะได้หยุดความอยากได้เพราะรู้ว่าอยากไปก็ไร้ประโยชน์อยากไปก็ไม่ได้ผลอยู่ดี เพราะว่าร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีนี่ก็คือวิธีแก้ความอยากอีกแบบนึงความอยากไม่มีอยากอยากไม่ให้มันมีอยากให้มันมันเกิดหรือไม่อยากไม่ให้มันเป็นอยากไม่ให้มันแก่อยากให้มันเจ็บอยากไม่ให้มันตายก็ต้องมองว่าความจริงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหรือยากให้ไม่พัดพากจากกันและกันมันก็เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้อยู่ดี พอเราเมื่อถึงเวลาจะต้องจากกันมันก็มีเหตุมีปัจจัยทำให้ก็ต้องจากเราไปหรือทำให้เราต้องจากไปจากเป็นก็มีจากตายก็มีจากเป็นก็คือบางทีอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องต้องแยกกันอยู่ต้องย้ายสถานที่คนหนึ่งอยู่ตรงนี้อีกคนหนึ่งต้องไปอยู่ตรงนั้นห้าไม่ได้เป็นเรื่องเหตุปัจจัยที่ทำให้ต้องแยกกันไปหรือแยกแบบตายก็คือคนนั้นอยู่ดีๆก็ตายไปคนนี้อยู่ดีๆก็ตายไป ห้ามเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ให้ตายไม่ได้รับสมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่วันดีคืนดีก็อาจจะต้องถูกเขามายุดไปก็ได้ถ้าเราไม่มีเงินผ่อนผ่อนหนี้จ่ายหนี้สินมันก็ต้องแยกจากเราไปนี่คือวิธีการที่จะมองที่จะทําให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่เกิดความอยากอยากได้หรืออยากไม่ได้ของไม่ดีเราก็อยากไม่ได้แต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชีวิตเรามีทั้งของดีและของไม่ดี ของดีก็อย่าไปอยากได้เพราะของดีมันก็ของมันก็เป็นของไม่เที่ยงของไม่ดีเราก็อย่าไปอยากไม่ได้เพราะเราเราห้ามมันมาไม่ได้มันจะต้องเกิดมันจะต้องเกิดกับเราความแก่ความเจ็บความตายมันจะต้องเกิดกับเราการพลาดพลาดจากกันมันก็ต้องเกิดกับเราเนี่ยพ่อแม่ลูกเนี่ยวันใดวันหนึ่งก็ต้องไปคนละทิศคนละทางกันใครจะไปก่อนใครจะไปหลังเท่านั้นเองไม่มีใครสามารถที่จะไปจัดการ สังห้ามมันได้ว่าทุกคนอยู่ร่วมกันไปตลอดไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายไม่มีการพัดภากจากกันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าอยากให้มันเป็นแล้วมันไม่เป็นมันก็จะสร้างความทุกข์ใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องคิดว่าเราต้องแยกกันเราต้องพัดภากจากกันเป็นธรรมดาร่างกายของเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดา นี่คือพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราคอยพ ร, พร่ำสอนใจอยู่เรื่อยๆเพราะใจเรามันไม่ชอบมันไม่อยากมันไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากพัดภาคจากกันแล้วมันพยายามจะปฏิเสธมันพยายามจะต่อสู้ยิ่งยิ่งต่อสู้เท่าไหร่ยิ่งปฏิเสธเท่าไหร่ยิ่งสร้างความทุกข์ให้กับใจมากขึ้นไปเท่านั้นถ้าเราไม่ต่อสู้เรายอมยอมหยุดต่อสู้ใจเราก็จะเย็น ความทุกข์ที่เกิดจากการต่อสู้ความจริงมันก็จะหายไปเราต้องยอมหยุดเย็นยอมรับความเป็นจริงของชีวิตชีวิตของพวกเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาต้องมีการพัดภาคจากของรักของเจริญใจเช่นต้องพัดภาคจากลาบยศสรเสริญพัดภาคจากความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไปเพราะว่าร่างกายที่เป็นเครื่องมือมันก็เป็นของชั่วคราว มันไม่สามารถที่จะอยู่ไปตลอดได้มันก็ต้องถึงวันที่ต้องมีวันสิ้นสุดลงอย่างที่มีคําพูดว่างานเลี้ยงทั้งหลายย่อมมีวันสิ้นสุดลงไม่มีใครสามารถจัดงานเลี้ยงไปได้ทุกวันไปจนถึงวันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีวันสิ้นสุดมีการจบลงที่ความตายจบลงที่การสิ้นสุดของสิ่งต่างๆที่เราได้มี ได้มาเป็นของของเรามันเป็นของของเราแบบชั่วคราวเท่านั้นเองอย่าไปหลงอย่าไปยดึดอย่าไปติดอย่าไปคิดว่ามันจะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ถ้าเราไปหลงคิดว่าเป็นของเราอยู่กับเราให้ครับสุข ก, กับเราไปตลอดเวลามันไม่เป็นแล้วมันจะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจทำให้เราทุกข์ทรมานใจ น, น, นี่ก็คือวิธีแก้ ที่ไม่มีใครรู้จักวิธีแก้สมัยก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็รู้กคเพียงแต่วิธีเข้าสมาธิเท่านั้นเวลาไม่สบายใจก็เข้าสมาธิไปเข้าฌานไปพอเข้าฌานใจหยุดคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ความอยากเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นก็จะหยุดตามไปพอไม่มีความอยากใจก็หายทุกข์ไปชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาเดี๋ยวก็กลับไปคิดเรื่องเดิมอีก คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้แล้วก็อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ทุกขึ้นมาอีกไม่มีใครรู้ว่าทํำยังไงไม่ให้ทุกข์เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิพระพุทธเจ้านี่อยากจะให้ความทุกข์นี้หายไปร้อยเปอร์เซ็นตไม่ใช่หายจะหายไปเฉพาะเวลาเข้าสมาธิเท่านั้นพระพุทธเจ้าต้องการให้มันหายไปอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือไม่มีรู้อยู่นอกสมาธิ ก็ต้องหาวิธี ว, วิเคราะห์วิจัยที่สุดก็พบค้นพบสาเหตุของความทุกข์ใจว่าเกิดจากความอยากแล้วความอยากนี้ก็ต้องใช้ความคิดถ้าคิดไปนในทางให้เกิดความอยากใจก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีพออยากจะได้อะไรขึ้นมาใจก็เริ่มกังวลกวายกระสับกระส่ายกิ น, นกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ไม่เป็นปกติแล้วพอไม่ได้ขึ้นมาก็เสียใจหรือถ้าได้ขึ้นมาก็ดีใจเดียวเดียว ถาเดี๋ยวพอสิ่งที่เราได้มาหายไปหมดไปก็ทำให้เราทุกข์ใจใหม่ <c oughs> แล้วก็ทำให้เราเกิดจากความอยากใหม่อีกมันก็จะพาให้เราอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดอยากไปจนวันตายพอร่างกายตายไปใจที่ความอยากมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันไม่ไม่ไม่ได้หมดไปกับความตายของร่างกายเพราะมันอยู่ในใจใจที่ไม่มีวันตายแต่ใจที่ยังมีความอยากก็จะถูกความอยากนี้ฉุดกให้ไป ไปเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปทุกขกับความอยากใหม่ครบับอยากกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ต่อไปเยเราเวียนว่ายตายเกิดมาแบบนี้แบบนี้มาไม่รู้กี่แสนล้านครั้งละน้ําตาที่เราหลั่งนี้มันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรเสอีกก็เพราะอํานาจของตัวตัณหาความอยากตัวนี้ตัวเดียวเท่นั้นที่พาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันมาร้องหม่มร้องไห้ <c oughs> จนน้ําตาของเรานี้ที่หลั่งไปนี้มากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรเสอีก และก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่มายุติความอยากถ้าเราไม่ไปคิดไปในทางที่ทําให้เราไม่อยากเราต้องคิดไปในทางตายรักเวลาอยากได้อะไรสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วทาวมันไม่สามารถให้ความสุขเราได้ไปตลอดเวลามันไม่ให้ความสุขกับเราแล้วใจเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันที เวลาที่เราสูญเสียมันไปเวลาที่มันเปลี่ยนไปคนบางคยเวลาเราครบกันใหม่ๆก็ดีแสนดีอยากจะอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันพอมาอยู่ร่วมกันสักพักหนึ่งเคยเป็นคนดีกลับกลายเป็นคนไม่ดีเสียแล้วทีนี้ก็ไม่อยากจะอยู่ร่วมกันแลสิแตก่ก็จะเลิกกันยังไงล่ะบางทีมันมีพันท่าผูกพันเกัน อ, อันนี้แหละเป็นความทุกข์ทรมานใจ ถ้ารูไว้แต่เบื้องต้นว่าค น, นนี้เขาดีตอนนี้แต่พรุ่งนี้เขาอาจจะไม่ดีก็ได้นะเพราะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนรู้ไว้ก่อนดักไว้ก่อนถ้าดักไว้ก่อนแล้วมันจะได้ห้ามใจได้ห้ามความอยากได้ว่าเออไม่แน่นะวันนี้เขาดีกับเราเดี๋ยววันพรุ่ง น, นี้เกิดเขาไม่ดีเับเข้าขไปดีกับคนอื่นขึ้นมาแล้วเราจะทำอย่างไรเพราะใจเขาก็เปลี่ยนได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนอมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ถ้าเราคิดในรูปแบบนี้มองให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เป็นของที่แน่นอนมีสิ่งเดียวที่แน่นอนก็คือคนตายเนี่ยคนตายเนี่ยแน่นอนถ้าดีก็ดีไปก็ไม่เปลี่ยนนะถ้าไม่ดีก็ไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเป็นคนเป็นนี่มันไม่แน่ดีวันนี้อาจจะไม่ดีพรุ่งนี้ก็ได้หรือไม่ดีวันนี้อาจจะดีพรุ่งนี้ก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนสิ่งที่ทำสิ่งที่แน่นอนก็คือคนตายคนตายนี่เปลี่ยนไม่ได้นะ เปลี่ยนแ่เปล่ยนแคแต่ร่างกายร่างกายก็จะค่อยถูกเอาไปเผากายเป็นขี้เท่าที้ฐานไปเป็นเศษกระดูกไปเท่านั้นเอง <c oughs> แล้วนี่คือวิธีที่เราจะทำให้ใจเราไม่ทุกข์เราต้องหัดคิดไปในทางปัญญาคิดให้ไม่อยากให้ได้แล้วถ้าคิดไม่คิดแล้วมันยังอยากอยู่หรือว่ามันทุกข์หรือว่ามไม่เที่ยงหรือว่าเราควบคุมบังคับมันไม่ได้แต่มันยังอยากอยู่ ก็แสดงว่าใจเรายัางไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้เราต้องไปฝึกสมาธิให้มากๆ ก, ก่อนเพราะเวลาเราฝึกสมาธิจิตเข้าฌานได้ฌานนี่แหละจะเป็นตัวที่จะหยุดความอยากได้ <_ d ance> แต่ตอนที่เราเข้าสมาธิตอนนั้นเรายังไม่รู้เรื่องปัญญาเราก็ไม่รู้ว่าการหยุดความทุกข์ต้องหยุดที่ความอยากเราเพียงจะรู้ว่าเวลาทำใจให้สงบแล้วความทุกข์จะหายไป <_ d ance> แต่เราไม่รู้เ <_ d ance> วลาออกจากสมาธิมา เราก็เวลาเกิดความอยากเราก็ไม่หยุดความอยากนี่เรารู้ตอนนี้เรารู้แล้วรู้ทั้งปัญญารู้ทั้งว่าเราต้องมีทั้งปัญญาต้องมีทั้งสมาธิถึงจะสามารถหยุดความอยากได้ปัญญาจะบอกเราว่าอย่าไปทําตามความอยากนะมันทุกข์นะเพราะมันของไม่เที่ยงเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแต่ใจถ้ายังไม่มีสมาธิกําลังพอมันก็ดือ้อได้กิเลสมันก็ดือ้อทุกข์ก็ขอทุกข์วะบางคนจะบอกว่า เขาไม่กลัวเอดทาไมนั้นกลัวตายเขาไม่เขาเขาไม่กลัวเอดเขากลัวอดตายเขาคือเขายดทนความอยากไม่ได้ความอยากที่จะไปะมีเพศสัมพันธ์กับใครสมัยนั้นถึงแม้จะต้องติดโรคเอดก็ยอมติดยอมตายดีกว่ายอมอดเพราะว่าอดเส็บแล้วมันมีความทุกข์มากกว่านี่คือลักษณะของใจที่ไม่มีกำลังสู้ความอยาก แต่ถ้าเรามาฝึกสติมานั่งสมาธิเข้าฌานได้เราจะมีกำลังสู้ความอยากหยุดความอยากได้แล้วพอเราศึกษาด้วยปัญญาว่าถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับอะไรเราต้องหยุดความอยากของเราพอเรารู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวเหตุที่ทาให้เราไปทุกข์แล้วถ้าเรามีความสามารถหยุดความอยากด้วยสมาธิได้เราก็ใช้กาลังของสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเพราะถ้าเราเคยเข้ามาแล้วเราจะมีกาลังที่จะ อยู่เฉยๆได้ฝืนความอยากได้นี่คือวิธีการที่จะทําให้เรารักษาใจของเราให้อยู่อย่างเป็นสุขไปตลอดไม่ให้มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยไม่ให้ทําให้ใจเราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆมาหลังมาหลังน้ําตามาร้องห่มร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจอยู่เรื่อยๆก็คือการที่เราต้อง ให้ความสำคัญของใจเรายิ่งกว่าความสำคัญของสิ่งต่างๆสิ่งไหนที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีมันอย่าไปมีมันดีกว่าเช่นราบยศสรรเสริญสุขนี่เราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีมันได้ <S <S ถ้าเรามาปฏิบัติทำทำใจให้สงบได้เราจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุข ข, ของราบยศสรรเสริญสุขอีก<ๆ>เราต้องมาเปลี่ยนวิธีหาความสุข เพราะาเรายัางไปติดกับลาบยศ ส, สรรเสิญสุขเราก็จะเกิดตัญหาความอยากให้ลาบยศสารเสวนสุขนี้อยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆแต่พอมันไม่เป็นไปตามความอยากของเรามันก็จะทําให้ใจเราทุกข์นั่นเราต้องตัดมันไปอย่าไปพึ่งมันเปลี่ยนวิธีมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบเข้าสมาธิเข้าฌานดีกว่าแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจถ้ายังไปยึดไปติดกับอะไรอยู่ก็ให้ตัดให้หมด ยางยึดเิดอยู่กับร่างกายยังอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องหยุดความอยากนี้ถ้าไม่อยากจะทุกข์เวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายแล้วถ้าเรามีสมาธิแล้วพอปัญญาสอนให้เราปล่อยวางร่างกายใจเราก็จะปล่อยวางได้ต่อไปเราก็ปล่อยวางได้ทั้งหมดปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความรู้สึกเมทนาปล่อยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจ ใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับการแปรปูนของร่างกายการแปรปูนของเวทนาการแปรปูนของอารมณ์ที่มีอยู่ในจิตใจเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไปใจก็ไม่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะตัวที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากที่ใจสามารถหยุดได้ด้วยสมาธิและปัญญาอันนี้แหละคือการรักษาใจที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้ สิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องพัดภาคจากมันไปแต่มีสิ่งนี้สิ่งเดียวที่ไม่มีวันพัดภาคจากเราไปก็คือใจแล้วสิ่งที่มันจะอยู่ในใจเราเนี้มันจะทําให้ใจเราสุขหรือทุกข์ถ้ามีบาปอยู่ในใจมีกิเลสอยู่ในใจมันก็จะทําทให้เราทุกข์ถ้าไม่มีบาปไม่มีกิเลสมีแต่บุญมีแต่ความดีการกระทําความดีต่างๆใจของเราก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดนี่ก็คือเรื่องของ ความสำคัญสิ่งที่สําคัญที่สุดของชีวิตของพวกเราก็คือใจพระเจ้าบอกให้รักษาใจให้สละทรัพย์สล ะ, สะอวัยวะสละชีวิตเพื่อรักษาใจให้ใจอยู่ในความสงบให้ใจปล่อยวางให้ใจละความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจให้ได้แล้วใจจะมีแต่ความสุขแบบที่พระเจ้ามีกันพระอรหันต์มีกันก็คือนิบานังปรรมังสุ ข, ขังนี้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยาทาวเรวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวามีวาอิโตจินังเปตานังอุ ป, ปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมีวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโวินัสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีตาโยโกภาะอภิวัตนาสีลิธานิจังวุฒาปจายโน จัตารุธรร ม, มวทันติอายุวันโนสุขังภาลางภาังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะคำถามถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวที่เหมาะต่อการตอบคำถามถ้าเลอกจากที่นี้แล้วต้องขออนุ ญ, ญาตไ ม, ไม่ได้ตอบเพราะไม่สะดวก ก็เสียงมันเบาเสียงมันค่อยไม่มีไม้แล้วก็ต้องมีอะไรอยาร่างอื่นต้องทําพรอพ้ อ, พอมๆกันไปด้วยก็เลยถ้าอยากจะถามอะไรก็ถามตอนนี้ไม่ต้องอายไม่ต้องเกรงใจคนเราเกิดมาถ้าฉลาดแล้วก็ไม่ต้องมาเกิดถ้ายังมาเกิดก็ยังแสดงว่าโง่งอยู่ยงั้นยอมรับความจริงว่าเรายังโง่อยู่ทุกคนไม่มีใครฉลาดกับใครหรอกนะอยู่ในอ่านเดียวกันกำลังมันเดียวกัน ถ้าถ้าอยากจะถามก็ไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ า, ข า, ขามาก็ได้อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่น้ํากลับนมมสการเจ้าค่ะผู้รับฟังวันนี้ทาง Facebook 2ง3 YouTube พระอาจารย์สุ ช, ชาติ346 YouTube ดรวีิวิทยุออนไลน์11คลับเฮาส์6ผู้รับฟังหน้ากุฏิ140 รวม834ท่านเจ้าค่ะคำถามฝากถามจากอินบอ็อกซ์เจ้าค่ะผลจากการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอของลูกตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองคือธาตุรู้ที่เห็นว่าเราไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นร่างกายไม่ได้เป็นของเราตอนนี้มีหน้าที่ที่ดูแลลูกก็ดูแลไปมีหน้าที่ดูแลร่างกายของเราให้ดีแต่ไม่ยึดติดว่าผลจะเป็นอย่างไร ก่อนนอนคิดเสมอว่าเราอาจไม่ได้ตื่นมาอีก ตื่นขึ้นมาพร้อมตายทุกวันกินอะไรก็ได้ไม่ได้อยากออกไปหาความสุขนอกบ้านพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่พอใจในชีวิตที่มีอยู่ทำให้มีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ค่อยมีความทุกข์อะไรถึงเกิดทุกข์ทางใจขึ้นบ้างบางครั้งก็มีสติรู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทุกนั้นไม่ใช่ของเราลูกกราบขอคาแนะนาจากพระอาจารย์ว่าสิ่งที่ลูกปฏิบัติมานี้ถูกต้องแล้วหรือยัง ต้องทำสิ่งใดเพิ่มเติมต่อไปเจ้าคะสิ่งใดที่เราไม่ทุกข์แล้วก็สิ่งนั้นก็หมดปัญหาไปสิ่งใดที่เรายังทุกข์อยู่ก็ต้องแก้ให้ได้แก้ที่ความอยากของเราเรายังอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นตามความอยากใจเราก็ยังทุกข์อยู่เพราะนั้นต้องคอยสังเกตใจเราว่าตอนนี้เราใจเราทุกข์กับอะไรอยู่แล้วลองค้นหาสาเหตุพรเจ้าบอกมันหนีไม่พ้นความอยาก ความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรืออยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้มันก็เลยทําให้เราทุกข์กันมาเราก็ต้องใช้ตายรักเข้ามาสอนใจว่าเราไปบังคับมันไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้เขาเป็นกล้วยอยากจะให้เขาเป็นส้มนี่มันเป็นไปไม่ได้ก็ปล่อยเ ข, ป เ, ขเป็นกล้วยไปอยู่กับกล้วยไปอยู่กับส้มไปตามมีตามเกิด <Picasso> ทุกทุกสิ่งทุกอยาก่างไม่ว่าจะเป็นร่างกายเราก็ดีเวทนาความรู้สึกก็ดี อารมณ์ก็ดีที่มีในใจเรามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีเราจะไปให้มันสุขอย่างเดียวทุกข์อ่างดีไม่ไม่ทุกข์เลยนี่มันไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขอให้รู้ทันมันแล้วเราอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นกันให้มันเป็นเป็นตามที่มันเป็นอยู่เราก็จะไม่ทุกข์กับมันทุกวันพระหนูถือศีลแปด ความอยากของหนูก็คือเรื่องกินหนูเป็นคนกินเก่งมากกินตลอดเวลาแต่พอวันพระก็จะไม่รู้สึกหิวเลยไม่อยากกินอะไรแต่จะคิดว่าพรุ่งนี้หนูจะกินอะไรเหมือนยังมีความอยากอยู่มีวิธีที่หนูจะลดความอยากเรื่องของการกินได้ไหมเจ้าคะก็เวลาอยากอะไรก็อยากกินตามเลยถึงจะเราช่วนได้ ถ้ามันอยากก็ยังทําตามความอยากอยู่ความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆความอยากมันจะลดน้อยลงไปเวลาที่มันอยากแล้วเราไม่ทําตามความอยากพออยากจะกินวันนี้แล้วเราไม่ให้มันกินเดี๋ยวพรุ่งนี้ความอยากอยากจะกินมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆอย่าไปทําตามความอยากความอยากนี้ยิ่งทําตามยิ่งขยายตัวยิ่งมีกําลังมากขึ้นได้คือก็อยากจะได้สองได้สองก็อยากจะได้วาอยงั้นต้องลดมันลงมา จากมีมีสอกก็ลดทันเหลือคือบคปกินสามจานก็ลดลงมาเหลือสองจานไปกินสองจานก็ลดลงมาจานเดียวครกินจานเดียวก็อดบ้างอดมือ้อกินมื้อบ้างต่อไปความอยากมันก็จะหายไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ผลัดเปลี่ยนกันทํางาน<อ>เมื่อพิจารณาตามพอจะรู้และเข้าใจได้ว่า ขันห้าว่างเปล่าจากตัวตนของเราจริงๆมันเกิดดับแต่เวลาที่เรารับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วเกิดสุขทุกข์เกิดก้อนอารมณ์ตามมาเรียบร้อยในขณะจิตเดียวแล้วเราพิจารณาพิจารณาตามหลังสภาวะธรรมนั้นว่าไม่ใช่ตัวตนปัดกว่าตตามหลังการเสวยอารมณ์ไปแล้วเช่นนี้ผิดพลาดหรือไม่อย่างไรเจ้าคะก็ดูว่า เราปล่อยวางได้จริงหรือเปล่าเลิกได้จริงหรือเปล่าเลิกดูหนังได้หรือเปล่าเลิกฟังเพลงได้หรือเปล่าไม่ใช่พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แต่ถึงเวลาก็อดใจจะเปิดดูไม่ได้หรือว่ายังเสพมันหรือเปล่าถ้าเราเห็นว่ามันเป็นแค่ของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดมันต้องดูว่าเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องการไม่ต้องเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์เลย การสักแต่ว่ารู้โดยไม่มีตัวตนออกไปรับจะมีสุขทุกข์พอใจไม่พอใจตามมาหรือไม่เพราะแม่ครูบาอาจารย์ท่านรู้ได้อย่างไรเจ้าคะรู้จากการปฏิบัตินะฮะรู้เองทันทีที่โกผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองยองต้อ ง, องลองไปปฏิบัติ ด, ดูให้มันสักแต่ว่ารู้ดูก่อนเราจะรู้เองว่าเป็นอย่างไรพูดไปยังไงมันก็เหมือนพูดกับคนตาบอด คนตาบอดไม่มองไม่เห็นอะไรบอกตรงนี้สีแดงนั่นตรงนี้สีเขียวนะเขาก็มองไม่เห็นต้องบอกให้เขาลืมตาดูสิลืมตาพอลืมตาเขาก็จะเห็นเองเห็นไปภาวนาไปทําจิตใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาแล้วจิตใจก็จะสักแต่ว่ารู้เราจะรู้มันเป็นอย่างไรต่อไป อ น, นิจจังทุกขังอนัตตานี้จําเป็นต้องเดินไปพร้อมกับพาเริยสัตตีดับทุกข์ในจิตหรือไม่เมื่อจิตเป็นกลางใช้อริยสัตตีดับทุกขและใช้อนิจจังทุกขังอนัตตาดับอุปาทานขันโรดอธิบายขยายความคําว่าสักแต่ว่ารู้โดยไม่มีตัวตนออกมารับด้วยเจ้าคะ่ะต้องเข้าสมาธิเข้าอุเบกขาอันนี้อธิบายไม่ได้ ปฏิบาตไปก็มันบอกคุยกับคนตาบอดนะสีเขียวสีแดงเป็นยังไงเขาก็ไม่รู้หรอกต้องให้เขาลืมตาขึ้นมาคุณปิดตาคุณก็มองไม่เห็นสีนี่น้องเปิดตาขึ้นมาคุณก็เห็นเองคุณอยากจะรู้ว่าอุเบกขาสัแต่ว่ารู้เป็นอย่างไรก็เข้าสมาธิไปดูฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นหนึ่งพอจิตรวมเป็นหนึ่งก็จะเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เหลือแต่อุเบกขา โยมฝึกภาวนาพุโทโธในการฝึกปฏิบัติยังไม่พบความสุขสบายสงบของจิตแต่เวลาที่ตนเองคิดเพ่ ง, พงโทษผู้อื่นอวดเบ่งตัวตนเห็นทันความคิดและไม่เปิดวาจารู้ตัวรู้ทันและหยุดการกระทำเช่นนี้ปฏิบัติมาถูกทางหรือไม่ขอพระอาจารย์ชีนะ้ในหนทางที่ถูกด้วยเจ้าค่ะ สิ่งไหนที่ไ <departure> ม่ดีมันผุดขึ้นมาในใจเราก็ต้องหยุดมันอย่าทำตามมันสิ่งไหนที่ดีมันผุดขึ้นมาเราก็ทําเลยไม่ต้องยับยั้งทุกอย่างมันเกิดที่ใจใจเป็นผู้เริ่มต้นก่อนจะทําดีพูดดีคิดดีก่อนที่จะพูดดีทําดีแล้วพูดไม่ดีทําไม่ดีต้องคิดไม่ดีก่อนแล้วพูดไม่คิดไม่ดีก่อนแล้วคิดดีก่อนอย่นถ้าเรามีสติสามารถเห็นความคิดได้แล้วก็คอยคุมอยู่ที่ความคิดนั่นแหละ พอมันคิดไม่ดีก็หยุดมันอย่าไปทําตามมันคิดจะไปดื่มเหล้าเย็นนี้ก็ไม่ต้องไปคิดไปเที่ยวก็ไม่ต้องไปเดี๋ยวไปวัดไปนั่งสมาธิกันดีกว่าคิดอย่างนี้ไนี่ เ, เดี๋ยวมีคนจะส่งข้อความเข้ามาอยู่ยเดี๋ยวร้อยเขียนให้เสร็จก่อนอข้างหลังนก เมื่อคืนลูกนั่งสมาธิดูลมลมหายเห็นผู้รู้อยู่แบบนี้หนึ่งชั่วโมงเวทนาเกิดรู้ว่าเกิดแต่ไม่กระทบจิตที่รู้เฉยๆเพราะไม่มีการปรุงแต่งปรุงแต่งแบบนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะถ้าอยู่เฉยๆไม่ปรุงแต่งก็ถูกถ้าไปปรุงแต่งไปชอบไปยินดีแล้วไปยินร้ายก็ผิดต้องเฉยๆคำถามฝากถามจากนักวิตรเจ้าคะ่ะ พูดต้ดังหน่อยใกล้ๆปาเลยเราเห็นเพื่อนกําลังทําผิดศีลและจะนําไปสู่ความเสียหายต่อครูบาอาจารย์และคนรอบตัวแต่การตักเตือนเพื่อนก็อาจจะทําให้เพื่อนไม่พอใจและส่งผลร้ายกลับสู่ตัวเราเราควรจะแก้ไขปัญหายอย่างอย่างไรเจ้าคะอยากจะว่ารู้ไปไม่ใช่เรื่องของเราใครทํากรรมัใดไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไป ไปเสี่ยงเดี๋ยวก็กรรมนั้นเองจะเข้าตัวเราเพราะเราไปไปเสือกงั้นอย่าไปยุ่งกับใครถ้าไม่ใช่หน้าที่ของเราหรือไม่มีใครมาขอร้องก็อย่าไปทําดีกว่าถ้าทำเราต้องต้องพร้อมที่จะรับกับผลกระทบที่จะตามมาอา ท, ทีก็ต้องทําแต่ต้องทำก็ต้องยอมรับว่าอ่าเขา จ, จะกดเราเข า, า จ, จะจองเวรจองกรรมกับเรา แต่เพื่อเรารักษาความคุ้นงามความดีของครูบาอาจารย์เราอาจจะต้องทำอย่างนี้เราก็ต้องเลือกเอาอันนี้แล้วแต่เราจะยินดียสละอความปลอดภัยของเราเพื่อไปป้องกันพูดหรือไม่ถ้าไม่ต้องการต้องการรักษาความปลอดภัยก็อยู่เฉยๆไปไม่ผิดการอยู่เฉยๆไม่ผิดการไปพูดไม่ดีอผิดพูดด่าจจะไป เกิดการจองเวรจองกรรมกันขึ้นม า, าทีอย่างถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่นอกจากว่าถ้าเขาเชื่อฟังเรา<อ>เขาเคยปาวารณาตัวเข้ามาก่อนแนละ้วพี่ถ้าเห็นผมทําอะไรผิดนะช่วยเตือนผมหน่อยนะอย่างนี้ก็บอกได้บอกแล้วแต่บางทีเขาก็อาจจะโกรธได้เข้าจจะลืมไปก็ได้ว่าเขาเคยปาวานาตัวมาแต่เ้าคงไม่ไม่อาค่าทพยาบาลพอเขาได้สติขึ้นมาเขาคงจะเป็นเรื่องของอารมณ์บางคนไม่ชอบให้ใครมาทักไม่ให้ใครมาเตือน พอใครมาทักมาเตือนนะมันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีงั้นแต่เราเองก็เหมือนกันอยู่ดีๆถ้าคนเราทําอะไรของเราอยู่ดีๆคนก็มาทักมาเตือนนะอย่าทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นะเราก็วอาไว้เป <c oughs> ็นเรื่องอะไรของคุณใช่ไหมเราก็ต้องมองมุมกลับบ้างวเวลราจะไปพูดกับใครบอกอะไรใครมองว่าเขาจะรู้สึกอย่างไร <c oughs> พิจารณาให้รอบครอบก่อนก่อนที่จะทําอะไรอย่าไปมองด้านเดียวโอพูดแล้วดีช่วป้องกันครูบาอาจารย์ แต่ไปสร้างเวรสร้างกรรมมาให้กับเราขึ้นมาเรารู้สึกตัวเวลาที่จิตรวมจำเป็นต้องมีสภาวะคล้ายกับตกจากที่สูงเหมือนกันทุกคนอย่างที่เคยได้ยินพระอาจารย์เทศ ปกตินั่งสมาธิทุกวันประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าส่วนใหญ่จะรู้สึกจิตสงบส ว, งว่างว่างลมหายใจเบาๆบางครั้งค้ายไม่หายใจรู้สึกเหมือนกายหายแต่ไม่แน่ใจว่าแบบนี้คือสภาวะจิตรวมใหม่เจ้าคะไม่รู้เหมือนกันนะทําไปเรื่อยๆก็แล้วกันถ้ายังไม่รู้ก็แสดงว่ายังไม่รวงถ้ารว้แล้วมันก็จะรู้เอง แล้วสภาวะของจิตรวมกับจิตที่ตั้งมั่นนี้มีความต่างกันอย่างไรเจ้าคะก็ต้องไปเปรียบเทียบดูจากการปฏิบัติ mm hmm. พูดไปก็เท่านั้นน่ะพูดไปถ้าไม่ไปทํามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทําปเถอเอาสติตัวเดียวนี่แหะให้สติอยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวให้พุโทโธกับใจนี่มันแนบอยู่เป็นหนึ่งเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะรวมขึ้นขึ้นมาเองหรือถ้าดูรวมก็ให้ลมกับใจนี่อยู่เป็นของอันเดียวกันเป็นอันอย่างอันเดียวกัน เาเดี๋ยวมันก็จะรวมให้เราเห็นเองจะรวมแบบไหนก็ได้รวมแบบร่างกายหายไปเลยก็มีรวมแบบร่างกายไม่หายก็มีรวมแบบตกลงจากที่สูงก็มีรวมแบบลงเป็นขั้นๆก็มีแต่ละอันไม่แต่การปฏิบัติของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันขอให้จิตในที่สุดให้มันนิ่งสักตวรู้เป็นอุเบกขามีความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่เหนือกับความสุขทั้งปวง มัตถิสันติพลังสุขขังนะต้องให้ถึงจุดนั้นอธิบายไงก็อธิบายไม่ได้ค แ, แต่พอมันถึงจุดนั้นแล้วมันรู้เองอ๋อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ทําไปให้ถึงวิธีให้ถึงก็อย่าไปคาดอย่าไปคิดถึงจุดนั้นวันเมื่อไหร่จะมาทักทีถ้าอย่างนี้ก็ไม่เกิดต้องอยู่กับสติอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวหมดแลนะ้วเหรอโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหมถามได้นะ เพราะว่าเดี๋ยวไม่มีคำถามก็จะได้ยุติการสนทนาธรรมกันร อ, อดูสักนิดหนึ่งเผื่อมีใครเข้ามาแจติีจะมันมีคำถา ม, มัหมไม่มีนะจะมาส่งการบ้านที่นี้น่วะมีหรือเ่า